การตั้งใจการที่เราจำเป็นต้องอบรมต้องฝึกตนบ่อยๆ อ, อย่างนี้นะก็ให้พากันรละลึกให้ได้ว่าเนื่องจากว่าการฝึก ตนของเราเนี่ยมันยังน้อยไปเราเราไม่ได้ฝึกตนมามากตั้งแต่ก่อนมาคือตั้งแต่อดีตชาติหนหลังนู่เ น, นเนี่ยมาการฝึกฝนอบรมตนนี่มันน้อยไปเพราะฉะนั้นเกิดมาชาตินี้เนี่ยเรามันถึงได้สมองทึบในเรื่องศีลธรรม เรื่องธรรมะอันสุ ข, ขุมลุ่มลึกเราไม่สามารถที่จะรู้ได้ไม่สามารถจะบรรลุได้ง่ายๆทั้งนี้ก็เพราะว่าการฝึกฝนอบรมตัวของเราเองทุกคนนี่แหละมันน้อยไปน <c oughs> ล, ลึกถึงตนให้มันได้ท่านผู้ที่ได้ฝึกฝนอบรมตนมาแต่ก่อนนั้นมาก พอสมควรแล้วอย่างนี้พะเกิดมาชาตินี้ท่านฟังธรรมท่านก็รู้ทำได้ทันทีสามารถบรรลุมรรคธรรมวิเศษได้ในขณะที่ฟังธรรมจบลง<ม>ก็มีบางพวกก็ฟังธรรมแล้วก็เข้าใจในแนวทางปฏิบัติได้ทันทีแล้วก็จำเอาแนวทางนั้นไปปฏิบัติตาม <c oughs> เมื่อปฏิบัติไปก็เห็นผลไปทันทีจิตใจก็ดู ด, ดดื่มในธรรมะนันไปเรื่อยๆในที่สุดท่านก็สามารถบรรลุมรรคผลธรรมวิเศษได้นี่ท่านผู้ที่ฝึกตนมามากนะยอมเป็นอย่างนี้แหละ <c oughs> ไม่ใช่ว่าใครๆที่ไม่ได้ฝึกตนมาเท่าที่ควรก็มาบรรลุได้ อันแต่ครังของพุทธเจ้านั้นอย่างนี้มันไม่ถูกต้องที่จริงท่านฝึกตนมาตั้งหลายชาติหลายภพมาแล้ว <c oughs> เริ่มแต่เป็นผู้ครองเรือนเป็นผู้ครองเรือนมาก็ฝึกให้เป็นผู้มีศีลห้านี่มาก่อนเมื่อมีศีลห้าบริบูรณ์แล้ววันนี้ก็ฝึกให้มีศีลอวสุศต เนี่แปดค่ำสิบห้าค่ำเดือนหนึ่งสี่ครั้งอย่างนี้ลนะแล้วก็ฝึกตนให้นำตนเข้าไปอยู่ในวัดวาอารามสมทานศีลอุโบสดอันประกอบไปด้วยองค์แปดประการช่ววันหนึ่งคืนหนึ่งในในระหว่างที่รักษาโบสดอยู่นั้นก็ฟังทรรมด้วยทำสมาธิภาวนาไปด้วย นี่สำหรับผู้ครองเรือนนะไอ อ, <c oughs> อุบายวิธีฝึกตนก็ถือโอกาสเจ็ดฟันไปฝึกตนในวัดว่าอารามสักครั้งหนึ่ง <c oughs> เดือนหนึ่งมีอยู่สี่ครั้งคนแต่ก่อนนัก บ, บัณฑิตนักปราชญ์ทั้งหลายท่านบำเพ็ญมาแล้วพ้อปฏิบัติเหล่านี้นะดังนั้นเนะี่ยควรพากันรู้ แนวทางปฏิบัติอันนี้ไม่ใช่ว่าเฉพาะแต่พระพุทธเจ้าของเรานี่พระองค์เดียวหาไม่ได้แม้พระพุทธเจ้าพระองค์ก่อนๆมาตัดสรู้ในโลกก็มีข้อวัดปฏิบัติเหมือนกันนี้เองนะก็มีให้ทานมีรักษาสินมีภาวนามีการฟังธรรมเหมือนกันนั่นไงสําหรับผู้ที่มี อินทร์บารมีแก่กล้าก็ไม่พอใจอยู่ในเพียงข้อปฏิบัติเท่านั้นบะนี่ก็จึงเอาตัวเข้าบวชบนี้ <c oughs> ถ้าเป็นผู้หญิงก็บวชเป็นชีนุ่งขาวห่มขาวสมทานสินแปดเป็นนิจจะสินไปแล้วก็ฟังธรรมภาวนา อุปธรรมบำรงพระภิกษุสามเณรในสิ่งที่ในกิจที่ควรทำของตนของตนนี่สำหรับถ้าเป็นผู้ชายก็ต้องออกบวชถ้ายังบวชห่มนุ่งเหลืองห่มเหลืองยังไม่ได้ก็นุ่งขาวห่มขาวโกนศรรีรษะไปกรรักษาศีลแปด เป็นนิจสินเช่นเดียวกันกับผู้หญิงเมื่ออบรมตนไปเห็นว่าใจมันเห็นผลแห่งการบวชใจมันดูดดื่มแล้วมันไม่มีถอยหลังแล้วอย่างนี้อุปชอาอาจารย์ก็จะบวชพระให้ถ้าผู้ที่มีอายุยังไม่ครบพระก็บวชเป็นสามเณร <c oughs> เมื่อบวชมาแล้วก็มาทำข้อวัดปฏิบัติให้เข้มงวดกวดขันยิ่งกวัวที่ยังไม่ได้บวชเพราะมันเกี่ยวกับสิกขาบวตวีในหลายมาตรกลาที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติห้ามมานั้นก็จาความสำรวมระวังก็จึงที่เข้ากลัวที่ไม่ได้บวชเป็นพระเป็นเนน <c oughs> เพราะฉะนั้นการบวชเป็นพระเป็นเนนี่จึงได้อานิสงฆ์มากกลัวผู้ครองเลือนถ้าพูดถึงอานิสงฆ์ของการบวชนะนั่นแหละอานิสงฆ์ของการบวชนี่นอกจากได้บุญได้กุศลแล้วก็สามารถชำระอาสวะกิเลสให้น้อยเบาบางออกไปจา ก, กจิตใจได้ เนี่ยวสามารถละอาสวะกิเลสให้บอบางออกไปจากกิจใจได้ได้ดีกว่าผู้ครองเลือนเพราะได้มีโอกาสเต็มที่สําหรับผู้ไม่ประมาทนะถ้าผู้ประมาทแล้วก็ยังว่านั่นแหละถึงจะ บ, บวชอยู่สักกี่พรรษาก็ยังเอาชนะกิเลสหยากๆไม่ได้ก็มีอยู่ทั้งไป <c oughs> ดังนั้นแหละ ข้อปฏิบัติในพุทธศาสนานี่พระศาสดาก็ทรงแสดงไว้สำหรับคนทุกประเภททุกเพศทุกวัยทรงแสดงไว้หมดเลยเาเป็นผู้ออกบวชไม่ได้เป็นครือขัดคลองเลื่อนกระทรงแสดงข้อปฏิบัติสามประการ แนะนำให้ทำบุญบริจาคทานด้วยวัตถุสิ่งของที่ตนสแสวงหามาได้โดยทางที่ชอบไม่หวงไว้บริโภคจำเพาะผู้เดียวเพราะว่าชีวิตของคนเราเนี่ยไม่ใช่เกิดมาคนเดียวมันเกิดมาอยู่ในชุมนุมชนหมู่ใหญ่เรียกว่าอยู่ในที่แวดล้อมของคนหมู่มาก ดังนั้นจะมาเห็นแต่แก่ตัวฝ่ายเดียวไม่เห็นแก่หมู่แก่คณะไม่เห็นแก่ท่านผู้มีพระคุณเช่นนี้นั้นผู้นั้นย่อมจะอยู่มีชีวิตเป็นอยู่ด้วยความยากลาบากเพราะจะไปขอร้องใครช่วยเหลือเกือ้อกูลในเวลาตนมีอุปสรรคขัดข้องอะไรขึ้นมานี่เพื่อนก็ไม่ช่วยคนที่เห็นแก่ตัวไม่มีการเผื่อแผ่เลยอย่างนี้นะ พระพุท ธ, ธองค์ทรงพิจารณาเห็นอย่างนี้จึงได้แนะนำพุท ธ, ธบริษัททั้งหลายทำบุญบริจาคทานนอกจากสละเข้าค้องเงินทองสงเคราะห์ ส, ง, อสองหาวงศาคณิมิตรสหายที่ควรให้ควรบริจาคแล้วก็ยังมีการบริจาคทานแก่ท่านผู้มีพระคุณแก่ตน เช่นมารดาบิดาครูบาอาจารย์พระสงฆ์สามเณรผู้เป็นเนื้อนาบุญของชาวโลกการบริจาคทานแก่พระสงฆ์สามเณร น, นี่นอกจากว่าจะเป็นบุญเป็นกุศลส่วนตัวแล้วก็ยังเป็นการต่ออายุของพระพุทธศาสนาสืบต่อไป ให้ยืนยาวนานต่อไปเพราะว่าผู้ที่จะรักษาพุทธศาสนาให้ยังยืนต่อไปได้ก็ได้กไดแก่บริษัทสี่เราคือภิกษุสามเณรอุบาสกาิกาภิกษุสามเณรไม่ได้ทำนาทำสวนไม่ได้ทำการค้าขายไม่มีสมบัติอะไร พอที่จะมาเลี้ยงชีพโดยตนเองได้ต้องอาศัยปัจจัยจากทายกทายิกาผู้ครองเลือนบริจาคมาก็จึงเป็นอยู่ไปได้จึงประพฤติพรหมจรรย์ไปได้ดังนั้นการที่พุทธศาสนาจะมั่นคงยั่งยืนเพื่อเป็นประโยชน์แก่คนหมู่มากไปได้ก็ อ, อาศัยบริษัทสี่เหล่า พร้อมใจการอุปถัมภ์บำรุงตามหน้าที่ของตนหน้าที่ของทา ย, ยกทายิกาก็คนขวายหาปัจจัยสี่มีอาหารและวินทาบาทเป็นต้นนั่นเองเมื่อมีปัจจัยสี่เหล่านั้นมาแล้วก็แบ่งกินบ้างแบ่งทานบ้างอย่างนี้แหละฝ่ายพระภิกษุสามนเณร เมื่อได้บวชเข้ามาแล้วก็สำนึกถึงหน้าที่ของตนว่าหน้าที่ของผู้บวชเข้ามามีอย่างไรบ้างพระพุทธเจ้าทรงบัญญัติห้ามไม่ให้ทำอะไรบ้างไม่ให้พูดยังไงบ้างแล้วทรงพระอนุญาตให้ทำตามอย่างไรบ้างอย่างนี้เราก็ศึกษาให้รู้ให้เข้าใจเพราะว่าใน พระวินัยเนี่ยมีทั้งข้อห้ามมีทั้งข้อทรงอนุญาตเช่นอย่างว่าทรงอนุญาตให้เก็บเภสัชทั้งห้ามเาีเนยใสย่เนยข้นน้ำมันน้ำพึ่งน้ำอ้อยนี่ไว้ฉันได้เจ็ดวันเนี่ยอย่างนี้เก็บไว้แล้วฉันได้ทั้งไม่เลือกการเวลาอันนี้นะอย่างนี้แหละที่ทรงอนุญาต แต่ถ้าเลยเจ็ดวันไปแล้วต้องสละสําหรับพระภิกษุเก็บไปอีกต่อไปก็มีโทษอย่างนี้และอื่นอื่นอีนอกผู้ศึกษาพระวินัยก็ย่อมรู้ในข้ออนุญาตแล้วก็รู้ในข้อห้ามอย่างนี้เหล่เป็นพระภิกษุสามเณรก็ต้องศึกษาในสี่ขาบทของตนให้รู้ให้เข้าใจโดยท่องแท้แล้วก็พยายามสํารวมระวัง ข้อที่ทรงบัญญัติห้ามไม่ล่วงเกินข้อสิ่งใดที่ทรงอนุญาตก็จึงค่อยทําไว้ผู้เป็นทายุทายิกาก็ทรงบัญญัติสิกขาบทห้ามไว้เหมือนกันแต่ว่าสิกขาบทที่ห้ามไว้นั้นอมันก็มีน้อยกว่านักบวชเรียก <c oughs> ว่าทรงบัญญัติห้าม เป็นขั้นตอนไปเช่นอย่างว่าสินห้าอย่างนี้นะอันนี้มันก็เป็นข้อปฏิบัติเบื้องต้นเลยก็ศสินห้านี้ทรงบัญญัติห้ามไม่ให้ล่วงเกินก็เพราะว่าเมื่อใครล่วงเกินเข้าไปแล้วมันก็เป็นบาปมันเป็นบาปก็จึงได้ทรงบัญญัติจำกัดไปเพียงห้าข้อนี้แหละเพราะว่า ห้าข้อนี้ไอ้บรรดาบาปทั้งหลายในโลกอันนี้นะมันก็มีอยู่ห้าประการนี้เองแหละส่วนใหญ่นะอ่าหลักของของบาปนะแต่ทีนี้ส่วนปีกย่อยเนะี่ยมันก็มีออกไปจากนี่แนหะออกไปจากสินห้าข้อนี้เองนะ <c oughs> เพราะฉะนั้นพระพุทธองค์เจ้าจึงได้ทรงบัญญัติ สิกขาบทห้ามไว้ห้าประการนี้สําหรับผู้ครองเรือนอเป็นอย่างนั้นทีนี้นเมื่อมีศรัทธาแรงกล้าขึ้นไปขัวนั้นก็เอาสมทานสินุโสถไปดังกล่าวมาแล้วนั่นเนี่ยเป็นขั้นตอนไปอย่างนั้นสําหรับทายกทายิกาจนตลอดจนตลอดถึงมาได้นุ่งขาวห่มขาวโคนผมโคนคิ้วอะไรเข้าไปอย่างนี้ะสําหรับผู้หญิงแล้วก็ คงจะสิ้นสุดลงนั้นแหละการบวชแต่สำหรับผู้ชายแล้วก็จะได้เลื่อนขั้นขึ้นไปบวชเป็นพระภิกษุสามเณรต่อไปข้อปฏิบัติทั้งหมดนี้ล้วนแต่เป็นสันเลขะปฏิบัติแต่ว่าเป็นการขัดเกลากิเลสตัณหาอาวิชชาทั้งหลายให้น้อยเบาบางออกไปจากกิจใจ ถ้าผูใ้ใดสมรัรธรมมั่นในใจไม่ล่วงเกินในข้อห้ามข้ออันใดที่ทรงอนุ ญ, ญาตก็ทำตามไปอย่างนี้แล้วก็ผู้นั้นจักเป็นผู้ไม่มีโทษติดตัวจะไม่มีบาปติดตัวเป็น เ, นเนพระภิกษุสามเณรนี่เป็นอุดมปเภทเป็นเพศอันอุดมเป็นที่กราบที่ไหว้สักการ บ, บูชาของทายกทายิกา ดังนั้นพระศาสดาจึงได้ทรงบัญญัติห้ามความประพฤติไว้หลายอย่างเพื่อให้มีความประพฤติเรียบร้อยดีมีจัญยามรารยาทดีกว่าผู้ครองเรือนทำไมเช่นนั้นแล้วทายกทายิกาก็จะไม่ยินดีกราบไหว้สักการ บ, บูชาเช่นอย่างเป็นพระภิกษุสามเณรมาเนี่ย ยังแสดงบทบาทแห่งความโกรธโมโหโทโสอะไรออกมาให้ทา ย, ยกทายกาได้เห็นอย่างงี้เมื่อเป็นเช่นนั้นใครเขาจะไปยินดีกราบไหว้เพราะเป็นพระคำว่าพระนี่เป็นผู้ประเสริฐผู้ประเสริฐในทนี่ต้องไม่เบียดเบียนใครอการแสดงความโกรธออกนั้นนะมันเป็นการแสดงถึงความเบียดเบียนเป็นอย่างนั้นฉะนั้นจะเป็นพระไม่ได้ จะเป็นพระโดยคุณธรรมไม่ได้เลยเป็นพระได้แต่สมมุติตั้งแต่ผ้าเหลืองเท่านั้นเอง <c oughs> แล้วก็ยังสะสมอะไรต่ออะไรอยู่เหมือนอย่างครวดวิสัยอย่างนี้นะถ้าหากว่าพระภิกษุสองสามเอเนรูปไหนไปสะสมปัจจัยเครื่องอาศัยไว้มาก เกินประมาณอย่างนี้ชาวบ้านเห็นเข้าก็คลายศรัทธาเลื่อมใสลงเขาก็ไม่ยินดีที่จะกราบจะไหว้ไม่ยินดีที่จะถวายทายทานต่างๆถ้าว่าพระภิกษุสามเณรประพฤติอย่างนี้เป็นส่วนมากแล้วพุทธศาสนาก็จะเสื่อมไปโดยเร็วที่สุดเลยทีเดียวจะไม่ตั้งยั่งยืนอยู่ได้เพราะว่าเมื่อทา ย, ยุคทา ย, ยิกามไม่เลื่อมใสในพระแล้วไม่ ทำบุญบริจาคทานแล้วนี้พระก็อยู่ไม่ได้ก็ต้องศึกออกไปทามาหาเลี้ยงปากเลี้ยงท้องตัวเองไปอย่างนั้นนี่วัดวาอารามนี่ถ้าขาดพระภิกษุสามนเณรอยู่อาศัยแล้วเขาไม่มีความหมายอะไรเลยนั่นแหละพุทธศาสนาจะเสริมไปได้ก็เพราะบริษัทสี่เล่านี้แหละไม่พร้อมใจกันปฏิบัติตามธรรมตามวินยัย ตามหน้าที่ของตนของตนให้เต็มที่อหมายความว่าอย่างนั้นผู้ศรัทธาจึงได้เสื่อมไปดังนั้นเมื่อทราบอย่างนี้แล้วก็ขอให้พากันตั้ง อ, อกตั้งใจทําหน้าที่ของตนของตนให้สมบูรณ์ให้เต็มที่อหน้าที่ของผิ้ศึกษามเน ก็สํารวมในธรรมนวินัยให้เข้มงวดกวดขันอย่างเต็มที่สํารวมจัญญามารยาทไทละมุนละไมยอย่าไปแสดงความโมโหโทโสอะไรกับใครต้องมีขันติธรรมอดกลั้นต่อคําด่าว่าเสียดสีต่อคํากระทบกระทั่งต่างตางธรรมดาเป็นพระเป็นเนรนะต้องมีขันติธรรมอยู่ในใจเป็นเครื่องประดับใจ เช่นนี้มันจึงจะเป็นที่น่าเรื่มใสนับถือของทายกทายิกาในเพิ่งเข้าใจก่อนในเมื่อพระภิกษุสามเณร ย, ยังละกิเลสไม่หมดนี่นะมันก็ต้องอาศัยความอดทนแหละอดกั้นไม่ให้กิเลสมันมีอำนาจเหนือจิตใจได้ เราอาศัยความอดแหลไปก่อนเมื่อเรายัางละมันยังถอนรากของมันไม่ได้อย่างนี้แหละ <c oughs> แม้เป็นคฤหัสน์ก็เหมือนกันมีกิเลสเหล่านี้เหมือนกันเพราะฉะนั้นอเรื่องความอดทนนี่นะมันจึงเป็นหน้าที่ของเราทุกคนทั้งนักบวชทั้งคฤหัส์ก็ต้องเอาไปใช้ไป สร้างขันติความอดทนนี้ให้เกิดมีขึ้นในตนให้ได้ถ้าใครไม่สร้างความอดทนนี้ให้เกิดมีขึ้นในตนแล้วผู้นั้นก็จะละความชั่วไม่ได้เลยอละความโลภความโกรธความหลงมนีคให้เบาบางไปไม่ได้เลยแม้จะมีปัญญาอย่างไรก็ตามถ้าไม่มีความอดทนนี้ประกอบด้วยแล้วไม่ได้ เช่นอย่าว่าเมื่อมีเรื่องไม่ดีไม่งามกระทบกระทั่งเข้ามามันจะโกรธอย่างนี้นะอดกั้นลงไว้ไม่โกรธมันอย่างนี้เมื่อไม่โกรธมันได้อย่างนั้นใจมันก็เป็นปกติภายหลังมาจึงก็ใช้ปัญญาพิจารณาให้เห็นโทษแห่งความโกรธนั้นมาที่นะ่ในความโกรธนี่มันไม่ดีอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้น เป็นหน้าที่ของปัญญาจะพึ่งสอดส่องมองเห็นก็เ <c> ม <oughs> ื่อมันเห็นโทษแห่งความโกรธ ด, ด้วยอานาจแห่งปัญญาอย่างนั้นแล้วมันก็จะละความโกรธนี่ให้เบาบางไปเรื่อยๆแล้วแบบนี้นะจะไม่สะสมความโกรธนี่ไว้เลยถ้าใครไม่ใช้ปัญญาพิจารณากิเลสแต่และอย่างละอย่างนี่ไม่เห็นโทษของมันไม่เบื่อหน่ายมันแล้วละมันไม่ได้ พูดอย่างสั้น ๆ, ๆเป็นอย่างนั้นเ <c oughs> พราะว่า ก, กิเลสเหล่านี้นะ <c oughs> ก็ใจตางห่างนี่เป็นผู้สร้างมันขึ้นมาไม่ใช่ว่ามันเกิดเองเป็นเองนะไม่ใช่อนะใจชอบใจกับกิเลสเหล่านั้นก็สร้างมันขึ้นมาอย่างนี้ทีนี้เมื่อใจนี่ไม่เบื่อมันไม่เห็นโทษของมาันจะไปละมันได้ยังไงอนะ่ะตัวเองเป็นผู้สร้างมันขึ้นมา คิดดูให้ดีไม่มีใครสร้างให้นะตนเองสร้างเอาเช่นอย่างว่าเมื่อใครแสดงกิริยามารยาทไม่ให้พออกพอใจแล้วอย่างใดอย่างหนึ่งขึ้นมาเลยมันก็โกรธขึ้นมาเลยอย่างเงี้ยนี่คนส่วนมากมากกักจะไปโทษคนอื่นนั่นแหละคนนั้นนะมาทำให้เราโกรธใช่ปะคนนี้นะทำให้เราเสียใจ อย่างนี้แหละอา้าวเราจะไปห้ามเขาได้ยังไงอ่ะก็คิดดูสิคนทั้งหลายเกิดมาในโลกนี้ใครจะไปเที่ยวห้ามใครไม่ทาความชั่วพูดชั่วอะไรเนี่ยจะไปห้ามได้ยังไงอ่ะน่นยข้อสำคัญก็พระเจ้ายังสอนให้คนเรานั้นห้ามตัวเองนี่ให้มันได้เพราะเราไม่มีสิทธิ์ที่จะไปห้ามผู้อื่น ไม่ให้ทำอะไรกับเราในทางที่ดีหรือที่ชั่วอย่างนี้เราเราจะไปห้ามไม่ได้เลยดังนั้นทางที่ดีเราต้องมาห้ามใจตัวเองเนี่ยให้มันได้เมื่อตอนเองห้ามใจตัวเองได้ไม่ให้โกรธใครไม่ให้อิจฉาริษยาเบียดเบียนใครแล้วอย่างนี้นะใครก็ไม่กล้าที่จะมาเบียดเบียนตนนะเพราะว่าตนไม่ได้ทำอะไรให้เขาเจ็บอกเก็บใจเลย ไม่ได้พูดอะไรเสียบแทงจิตใจคนอื่นให้เสียอกเสียใจเลยอย่างนี้นะใครจะมากล้าทำไม่ดีไม่งามต่อตน น, ะนั่นเนี่ข้อสำคัญอย่งว่าควรเราต้องมาห้ามใจตัวเองต้องฝึกใจตัวเองนี่ให้มันหนักแน่นอยู่ในขันติธรรมให้มันหนักแน่นอยู่ในเมตตาการุณาทั้งกลางวันและกลางคืนอย่างนี้นะ มันก็ด้วยอำนาจแห่งคุณธรรมเหล่านี้แหละแม้ว่าจะอยู่ที่ไหนไปที่ไหนคนทั้งหลายได้พบได้เห็นเข้ามีแต่คนเอ็นดูกรุณาไม่มีใครคิดเกลียดชังรังเกียจแต่อย่างใดเพราะอาศัยคุณธรรมเหล่านี้น่ะมันมีอยู่ในจิตใจของคนใดแล้วก็ยอมแสดงออกอย่างนั้นเนี่อ ถ้าคนใดนั้นมันสะสมความโกรธความอิจฉานิสยาต่างๆนี้ไว้ในใจให้มากมากแล้วแม้จะไปที่ไหนอยู่ที่ไหนคนทั้งหลายเห็นเขา้าแม้ไม่เคยได้พูดอะไรกันมันก็รู้สึกตะกิ้ตะโพงใจแล้วเอ๊ะคนนี้มันดูน่าเกลียดเหลือเกินมัวนี่เป็นอย่างนั้นแหละเดี๋ยววันนี้เมื่อเป็นเช่นนันะ้นน่ะไปพูดอะไรทําอะไรกับใครนี่เขาไม่ไม่มีใครเขายินดีด้วยเลย มันจะแต่เป็นไปเพื่อความทะเลาะวิวาดผิดเถียงกันไปอย่างนั้นเนะี <c> ่ย <oughs> เพราะฉะนั้นอย่าว่าทุกสิ่งทุกอย่างนี่นะมันเกิดจากดวงจิตนี้แท้ๆนะดังนั้นให้พึ่งพาการฝึ ก, กจิตใจอันนี้ให้มันตั้งมั่นอยู่ในฐานการให้การบริจาคเสมอนอกจากให้วัตถุสิ่งของแล้วก็ให้อภัยอภัยทาน ต่อบุคคลที่มาล่วงเกินตนเช่นมาดา่ามายกโทษเป็นต้นเนี่ยเราให้อภัยไปอย่าไปโกรธตอบให้ใจมันตั้งมั่นอยู่ในอภัยทานเหล่านี้เรื่อยไปฝึ ก, กจิตใจมันตั้งมั่นอยู่ในความเป็นผู้ที่มีจิตใจเมตตากรุณาปาถนายสัตว์ทั้งหลายเป็นสุขทั่วหน้า ไม่ภาถนาที่จะเบียดเบียนใครล้างฐานชีวิตของใครเลยนี่ฝึกจิตให้มันตั้งมั่นอยู่ในคุณธรรมเหล่านี้เล้วพยายามฝึกฝนอบรมจิตนี้ให้มันสงบจากความรักความชังความหลงความเมาไปในของไม่เป็นสาระแก่นสารนั้นเช่นรูปเสียงกินรดเครื่องสัมผัสในโลกนี่ย ไม่มีอะไรเป็นแก่นสารเลยผู้ปฏิบัติธรรมขั้นสูงผู้ภาวนาก็จะต้องละจะต้องละความยินดีพอใจในอารมณ์เหล่านี้ให้มันห่างออกไปจา ก, กจิตใจของตนโดยมองเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างเมื่อมันมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาแล้วมันย่อมมีความแปรปรวนแตกดับไปเป็นธรรมดา ไม่มีอะไรที่จะตั้งยั่งยืนอยู่ได้ <c oughs> มันมีตั้งอยู่ได้แต่ในในธรรมชาติที่ไม่มีเกิดไม่มีดับเท่านั้นแหละท่านกล่าวว่าพระนิพพานนั่นแหละพระนิพพานเท่านั้นแหละไม่มีเกิดไม่มีดับนอกจากพระนิพพานไปแล้วมีเกิดขึ้นแล้วดับไปทั้งนั้นเลยให้พากันพิจารณาให้มันเห็นอย่างนี้ เมื่อผู้ใดพี่นาเห็นอย่างนี้แล้วก็น้มใจไปในทางพระนิพพานบันนี้นะนั่นเนี่ยเราทำบุญให้ทานรักษาสินภาวนาอะไรก็น้อมใจไปเพื่อพระนิพพานบันนี้ไม่ได้น้อมใจไปเพื่ออ ย, อย่างอื่นน้อมใจไปเพื่อความสงบเพื่อความระงับจากอาสวะกิเลสทั้งหลายซึ่งเป็นเครื่องน่วงเหนียวชีวิตจิตใจอันนี้ให้คล่องอยู่ในโลกเสน ทุกเฉนทรมาณอันนี้นี่เราน้อมใจไปเพื่อความสงบระ ง, งับให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปความสงบระ ง, งับนี่แหละเป็นสายของพันิพาลมันพยายามทำใจสงบไปเรื่อยๆไปมันก็ใกล้ต่อพันิพานเข้าไปเรื่อยๆดังแสดงมาขอยุติลงเพียงเท่านี้